มันในที่นี้หมายถึงไม่มีผลเอมันเตอรดูหน้าหนาวคือตั้งแต่แรามหนึ่งค่ำเดือนส2องถึงกลางเดือนสี่โอราศาสตร์ตำราว่าด้วยวิชาโหนคือวิชาหมอดูเลิกยามนาทีเคราะดีเคราะร้าย หัตถบาทบวงมือคือที่ใกล้ตัวในบุพาสิกขาวันนากล่าวไว้ด้วยใจความว่ากำหนดเอาสองศอกกับหนึ่งคืบพึงทราบกำหนดดังนี้ถ้าภิกษุนั่งอยู่กำหนดแต่ส่วนสุดข้างหลังถ้ายืนอยู่กำหนดวัดแต่ส้นเท้าไปถ้านอนอยู่ นอนด้วยซี่ค้างใดกําหนดแต่ที่สุดข้างหลังซี่ค้างนั้นไปจนถึงส่วนสุดด้านใกล้แห่งสิ่งของที่ตั้งอยู่หรืออวัยวะที่ใกล้แห่งบุคคลผู้ประเคนเป็นต้นซึ่งนั่งหรือยืนหรือนอนอยู่เว้นมือที่เหยียดออกมาประเคนให้ได้สองซอกหนึ่งคืบหรือสองซอกครึ่งในวินัยมุกเล่มนี้กล่าวว่า สอบหนึ่งในระหว่างหมายถึงที่สุดด้านหนึ่งของภิกษุกับสิ่งของหรือของภิกษุผู้รับกับบุคคลผู้ประเคนเป็นต้นหมายเหตุในที่นี้เป็นการอธิบายศัท์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความหมายเฉพาะแห่งพระวินัยที่ปรากฏในหนังสือวินัยมุกเล่มหนึ่งนี้เท่านั้นนะครับ